ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนี้เนะี่ยมันเต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่ถ้าดูให้ดีๆเนี่ยมันสบายกายนะแต่ว่าใจเนี่ยเครียด ตอนนี้ความเครียดเป็นปัญหาของคนในยุคนี้มากนะทั้งๆที่เต็ไมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องทุนแรงแเครื่องช่วยผ่อนเวลาและแถมยังมีสิ่งบันเทิงเรองรงมากมายาง น, นี้ความบันเทิงเรองรงนี่มัน ซึมซ้ำแผ่ไปทุกอ น, นูเลยนะมันมนในรูปของสัญญาณนะสัญญาณโทรศัพท์นะสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยากจะฟังเพลงที่ไหนดูหนังเรื่องอะไรตอนไหนเวลาไหนนะก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็มีให้เลือกมากมายนะนหนังนี่ก็ไม่รู้กี่ช่องนะ ดูทาง YouTube นี่ก็ดูได้เป็นเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านเรื่องแต่คนที่กลับมีความเครียดแล้วเครียดสูงด้วยนะาส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยเพราะความเครียดนี่เดี๋ยวนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีคนเขา กานทํำวิจัยพบว่าโรคภัยเคยเจ็บที่พาคนไปหาหมอนะอันนี้ไม่นับที่อยู่บ้านนะไอ้ประเภทว่าที่ทาให้คนเนี่ยต้องไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยห้าสิบถึงเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะมันเกี่ยวกับความเครียดอันนี้ก็คงรวมไปถึงโรคหัวใจแล้วก็ โรคซึมเศร้านะแต่ไม่ใช่เฉพาะโรคทางใจนี่โรคทางกายก็เยอะนะในประเทศอังกฤษเนี่เขาพบว่าไอ้หนึ่งในสามของความเจ็บป่วยที่ทำให้คนไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางกายนะ คือหายังไงก็หาไม่เจอทั้งๆ ท, ที่คนป่วยเขาก็มีอาการเช่นลมชักบ้างละอัมาพาตบ้างละตาบอดบ้างละหรือว่ามีอาการใจสั่นหน้ามืดความดันขึ้นหรือปวดนะปวดปวดหัวปวดท้องหยุดเยอเรื้อลังแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบ มันก็ไม่น่าเชื่อวับตาบอดแต่ว่าไม่รั่วมันผิดปกติทางกายที่ไหนหรืออัมพาตเนี่ยแล้วเขาก็เชืวว่อมาเป็นเพราะเรื่องของใจเนี่ย แ, แล้วก็สาเหตุหรืออาการใหญ่ๆที่สําคัญของใจก็คือความเครียดนั่นแหละเดีย๋ยนี้ก็ถึงกับฟันธงว่าเนี่ยไอ้ความเครียดนี่มันเป็นเป็นอันตรายที่เป็นภัยที่ร้ายแรงกว่าการกินเหล้าสุบหรี่ได้ซ้ํา อันนี้เขาดูจากความความตายนะการตายที่เกิดจากความเครียดเนี่ยมันสูงกว่าตายเพราะเหล้าและบุหรี่นะมันก็น่ากลัวนะเพราะว่าบางคนถึงแม้ว่าไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่มันก็ไม่ไแปลว่าจะาชีวิตจะปลอดภัยนะถา้าปลอยให้มีความเครียดมาสะสมมากๆที่จริงคนเราพอเครียดแล้วเนี่ยมันก็มกักจะซ้ําเติมตัวเองนะแล้วก็ซ้ําเติมตัวเองวิธีหนึ่งก็คือ การเข้าไปหาเหล้าหาบุหรี่หายาเสพติดเนี่ยไอพวกนี้ก็เกิดจากความเครียดทั้งนั่นแหละคนธรรมดาก็ไม่คงอยากไม่คงไม่อยากจะเข้าไปหาเหล้าบุหรี่ยาเสพติดนะถ้ามันไม่มีความเครียดเป็นตัวผลักดันมันก็กเท่ากับว่าซ้ําเติมตัวเองหนักเข้าไปใหญ่แต่ในเระยะหลังก็พบว่าความเครียดนี่มันไม่ใช่ว่าเลวไปหมดนะมันก็มีความเครียดที่ ที่ดีเหมือนกันถ้าเป็นความเครียดพอประมาณเนหะมือนกับที่เขาพบว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะที่ดีก็มีที่เลวก็มีนะคอเลสเตอรอลที่เลวก็ทําให้เป็นโรคหัวใจนะได้ง่ายไอ้ความเครียดที่ดีก็มีนะคือถ้ามันเครียดพอประมาณอย่างเช่นเขพบว่าเนี่ยถ้าเครียดพอประมาณนี้ก็ทําให้การเรียนรู้คนเราดีขึ้นนะอันนี้ก็เห็นได้ไม่ยากนะเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ย ถ้าไม่มีการบ้านเรียนมาสบายๆนะครูก็ไม่ซักถามอะไรนะครูก็บรรยายอย่างเดียวไม่ซักถามไม่ให้การบ้านไม่ให้ทํารายงานและรายงานที่ทํามันง่ายๆเนี่ยการเรียนรู้ก็เป็นไปได้เชื่องช้าเนี่ยแต่ถ้ามีการบ้านนะมีรายงานยากๆบางทีครูก็ซักถามครูให้แสดงความคิดเห็น อันนี้มันทำให้เกิดความเครียดนะแก่ผู้เรียนแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่ดีเพราะว่ามันทำให้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เ, าเราพว่าเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยถ้ามันมีความเครียดอยู่บ้างหรือพอประมาณเช่นมีการแข่งขันมีเส้นตายอกจะทำงานได้ดีเลยเนะี่ยอันนี้ก็เห็นได้ง่ายนะให้งานไปไม่มีเส้นตายนี่ไม่มีการซักถามไม่มีการทวงถามหรือไม่มีการแข่งขันเนี่ย ส่วนใหญ่งานออกมาไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เผอเ่อไม่เสร็จด้วยให้การแข่งขันหรือว่าเส้นตามก็ทําให้คนเกิดความเครียดนะแต่ว่ามันเป็นความเครียดในระดับพอประมาณก็ทําให้ผลงานออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่ไม่มีความเครียด เ, เลยหรือว่าดีกว่ามีความเครียดหนักๆเยอะๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็พบว่าความเครียดเนี่ยนะ ัสิ่งสำคัญมไม่ใช่อยู่ที่ว่าเครียดระดับไหนสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเรามองความเครียดอย่างไรอันนี้มันเป็นเป็นข้อสรุปนะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้นะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าเครียดระดับไหนจะเครียดสูงก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อความเครียด หรือมองมันในมุมบวกไอ้ความเครียดนั่นก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้แล้วที่มันน่าสนใจคือว่าทัศนคติของเราต่อความเครียดนี่มันส่งผลต่อปฏิกิริยาในร่างกายหมายความว่าถ้าเรามองว่าความเครียดนี่ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของดีมีประโยชน์ร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาแตกต่างกับเวลาเรามองว่าความเครียดนี่โอ้มันแย่เหลือเกิน นะมันน่ากลัวมากนะหรือมันกดดันเหลือเกินเนี่ยอันเนี้ยร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งคือรู้กันมานานแล้วนะว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยร่างกายเรามันจะมีอาการหรือปฏิกิริยาที่เรียกว่าไม่สู้ก็นหนีนะอันนี้เห็นชัดนะที่แรกหนีก่อนนะแต่ถ้าหนีไม่ไหวก็จะสู้นะสู้ยิบตา ม, มันมาจนตอกเนี่ยแต่ว่าทั้งสองปฏิกิริยานี่มันก็มีมันก็เกิดจาก อาการในร่างกายแบบแบบเดียวกันนะคือว่าหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วเส้นเลือดหดแคบลงเพื่อจะได้สูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้ให้พร้อมจะทำงานนะทำงานนี่คือว่าถ้าไม่หนีก็สู้นะมันจะมีฮอร์โมนต่างๆไหลออกมาเช่นอะดีนอดีนาลีานลนะ ทำให้สมองนี่หรือว่าสายตางเราดีขึ้นนะเพื่อที่จะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นในภาพรวมนะแต่ไม่ใช่ในรายละเอียดนะเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเนี่ยถ้าคนเราเครียดแล้วหัวใจเต้นเร็วนี่นะการไอสายตานี่มันจะดีมากซึมก็มีเหตุผลนะเพราะว่าถ้าจะหนถ้าจะดีหรือสู้เนี่ยมันต้องมันก็ต้องมีสายตาที่ที่ที่ละเอียด ถ้าพวกนักมวยเนี่ยนะเวลาชกมว ย, ยบางคนนี่ตาไวมากนะอย่างมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตาเขาไวมากเลยใครจะใครจะชกนะใส่หน้าเขาที่เขาแค่ถอยหลังหรือว่าอ่เอาหัวหลบไปทางข้างหลังแค่นั้นแหละไม่ใช่หัวหลบไปทางซ้ายขวานะเขาเพียงแค่เอาหัวเนี่ยแค่เอน็นเอ็นหัวไปข้างหลังเนี่ยก็หลบได้แล้ว อันนี้มันก็อธิบายได้นะจากการทํางานของร่างกายแต่ครั้นี้ที่ก็พบก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะมีความรู้สึกเดียวความเครียดว่าเออความเครียดนี้มีประโยชน์นะหรือว่าเป็นความเครียดที่หรือว่ามันเป็นการท้าทายความสามารถมันไม่ใช่ภัยคุกคามมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเรามาเป็นอุปสรรคที่จะช่วยทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง หัวใจก็ยังเต้นเร็วอยู่นะแต่ว่ามันมีฮอร์โมนบางอย่างที่หลั่งไหลออกมาที่ทําให้ช่วยในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและช่วยในการฟื้นตัวของร่างกายได้ดีขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะทํางานแตกต่างจากเวลาที่เรามองว่าความเครียดมันเป็นภัยคุกคามหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่มากนะแต่ละคนนี่ก็ มีความเครียดในสถานการณ์แตกต่างกันนะบางคนบางคนถ้าอยู่บนที่สูงนะ่ะกลัวนะแต่ว่าถ้าจะให้อยู่ในป่าที่เต็ไมไปด้วยงูนะไม่มีความเครียรดใดๆเกิดขึ้นเลยบางคนแค่อยู่ในห้องสอมนี่เครียดละแต่เวลาพูดในที่ชุมชนนี่เฉยมากเลยเนี่ยนะอันนี้คนเรามันจะมีความรู้สึกเครียด ต่อเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะีมันเป็นสิ่งท้าทายความสามารถนะเช่นไปล่องแกงโอ้ล่องแกงนี่มันท้าทายความสามารถเรานะร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึงนะ่งฮอร์โมนต่างๆก็จะออกมาอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามองว่าโอไปล่องแกงนี่มันน่ากลัวมันอันตรายมันถึงตายได้นะโอ้เนี่ยปฏิกิริยาในร่างกายก็ออกมาอีกแบบหนึง่ง ฮอร์โมนหรือการทำงานของภูมิค่อมนในร่างกายก็ออกมาอีกแบบนึงเออนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะเพราะว่ามันชืี้เห็นว่าทัศนคติของคนเรามุมมองคนเราเนี่ยมันมีผลไปถึงการทำงานของร่างกายเลยแล้วคนนี้ก็พบว่ามันไม่ใช่ไอ้มุมมองของเราต่อความเครียด ม, มันไม่ได้มีผลต่อร่างกายในลักษณะที่มีปฤิกรรมแตกต่างกันเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังมีผลต่อการทำงานด้วย หรือว่าความสามารถที่ออกมาอย่างเช่นเขามีการทดลองนะพนักงานธนาคารสี่ร้อยคนแบ่งเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มแรกได้ดูวิดีโอที่ย้ำถึงอันตรายของความเครียดนะความเครียดมันมันมันมีโทษอย่างไรบ้างอีกกลุ่มหนึ่งดูวิดีโอที่พูดถึงว่าความเครียดมีประโยชน์อย่างไรนะมันเพิ่มูนความสามารถอย่างไร นะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องไม่ได้ดูอะไรเลยนะแล้วหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็พบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยที่ดูวิดีโอเกี่ยวเรื่องว่าประโยชน์ของความเครียดมันมียังไงบ้างเนี่ยพบ ว, ว่ามีการจดจ่อในการทํางานมากขึ้นมีส่วนร่วมในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ผลงานก็ดีกว่านะดีกว่าอีกสองกลุ่มที่เหลือซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลย ก็มี ก, กลุ่มหนึ่งก็ไปทําวิจัยกับนักศึกษานะนักศึกษานี่กำลังเตรียมสอบเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทนีนน่ในอเมริกานะ ก, กลุ่มแรกนี่ก็มีการบรรยายก่อนจะไปสอบระหว่างที่เตรียมสอบก็มีการบรรยายนะว่าไอ้ความเคลียดนี่มันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อ ย, อย่างไรบ้างอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีการบรรยายทั้งสิน้นเสร็จแล้วเขให้ลองซ้อมดูลองสอบ ลองสอบซ้อมดูสอบทดลองสอบดูเอาข้อสอบที่มีที่เคยมีเอามาสอบปรากฏว่าไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่ดูได้รับคําคําแนะนําว่าความเครียดมันดีเนี่ยนะปรากฏว่าทําคะแนนได้ดีนะได้ดีกว่ากลุ่มที่สอง ท, งทั้งทั้งที่ความเครียดเหมือนกันนะคือเขารู้เพราะเขาน้ารายเนี่ยเอาน้ารายของนักศึกษาในสองกลุ่มเนี่ยมาในน้ําลายที่มันมีข้อโมนเครียดอยู่ เราก็พบว่าทั้งสองกลุ่มก็มีความเครียดพอกันไม่ใช่ว่ากลุ่มแรกเครียดน้อยกว่าไม่ใช่เครียดพอกันแต่ว่าผลการสอบเนี่ยดีกว่าอันนี้ทดลองสอบนะไแล้วเวลาสอบจริงๆเนี่ยในอีกสองสามเดือนต่อมาไอ้กลุ่มแรกนี่ก็สอบได้คะแนนดีกว่ามันก็ไปสอดรับกับการวิจัยเนี่ยที่พูดมาสักครู่เนี่ยที่ทำกับพนักงานธนาคาร แล้วก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะเขาไปไปศึกษาผลการสำรวจทั้งประเทศนะเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วปีีหนึ่งปีีหนึ่งก็คือสิบเจ็ดปีที่แล้วเขาสอบถามคนสามหมื่นคนเกี่ยวกับ ความเครียดในปีที่ผ่านมาว่าเครียดมากเครียดน้อยแล้วก็ถามอีกได้ว่ารู้สึกกับความเครียดยังไงนะบางคนก็บอกวความเครียดเนี่ยมันแย่หรือเกินมันไม่ดีแต่บางคนบอกวความเครียดมันก็ดีนะอันนี้เขาให้เขาให้ให้คงเป็นการติคนนะนะว่าอ่าเป็นแสดงความเห็นทางแล้วก็ปรนัยนะว่ารู้สึกต่อความเครียดอย่างไร เสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเขาก็สืบสืบต่อไปว่าอคนเหล่านี้นมีใครที่ตายไปแล้วบ้างนะหลังจากผ่านไปสิบกว่าปีเขาก็พบว่าคนคนที่เครียดต้องมา ก, มากแล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีต่อความเครียดเชื่อว่าความเครียดมันบั่นทอนร่างกายเนี่ยตายก่อนวัยอันควรเร็วกว่า แล้วกว่าค่าเฉลีย่ยในประมาณ 4. กับเปอร์เซ็นต์สูงนะ40เปอร์เซ็นตเนี่ยนะขณะที่คนที่บอกว่าเครียดมากแต่ว่ารู้สึกว่าความเครียดมันมีประโยชน์เนี่ยบอกว่าการตายก่อนไบอันโคนเนี่ยยังน้อยกว่าคนที่บอกว่าเครียดน้อยนะ แต่ว่ารู้สึกไม่ดีกับความเครียดอันนี้มาแสดงเห็นแล้วนะว่าจะเครียดมากเครียดน้อยเนี่ยไม่สําคัญสิ่งสําคัญอยู่ตรงที่ว่ารู้สึกอย่างไรกับความเครียดนะถ้ารู้สึกดีให้ว่ามีประโยชน์นะไอ้ความเครียดก็สามารถจะส่งผลดีได้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทํางานได้ดีขึ้นหรือว่ามีผลเสียน้อยลงแต่ถ้าเกิดคิดว่าความเครียดนี่มันแย่ ไม่ดีเลยเนี่ยตรงนี้มันทำให้ร่างกายนี้แย่ยจริงนะแล้วก็การทำงานก็แย่ด้วยคือเรื่องใจกับกายมันสัมพันธ์กันมากเนี่ยเราก็รู้มานานแล้วนะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลต่อกายนะเช่นความวิตกกังวลความโกรธความกลัวพวกเนี้ยความเศร้าพวกเนี้ยมันทำให้ร่างกายแย่ลงความโกรธทำให้เส้น ทำให้ความดันขึ้นความวิตกกังวลทำให้มีโรคต่างๆมากมายที่อธิบายไม่ได้ใจสั่นนะหรือว่าทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนนะบางคนอาหารไม่ย่อยเลยนะเพราะมีความโกรธนะบางคนก็มีปัญหาตรงโน้นตรงนี้นะเพราะความวิตกกังวล ถึงตายก็มีอันนี้เรารู้มามานานแล้วฝรั่งก็ยอมรับนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับมากขึ้นว่าอารมณ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายแต่ที่มันแปลกนะจากที่เรามาคือว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้นนะทัศนคติหรือมุมมองของเราเนี่ยมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยรวมทั้งมุมมองต่อความเครียดนะ เครียดมากแต่ว่าหมอว่าความเครียดนี้เออมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะมันกลับส่งผลดีหรือว่าอ่าความผลร้ายมันลดน้อยถอยลงกว่าคนที่หมอวความเครียดนี่มันแย่เหลือเกินแล้วที่มันน่าสนใจคือว่าไอ้ทัศสกติเนี่ยของคนเราเนี่ยมันก็ส่งผลต่อร่างกายในในกรณีอื่นด้วยเมื่อสองสาเดือนก่อนไปอ่าน งานวิจัยของของไม้เทลเยลนะคณะสาธาร์นรศุศาสตร์ไมล์เทลเยลนี่ก็มีชื่อมากก็ทำวิจัยกันอย่างเรียกว่ายืดเยื้อยาวนานหลายปียี่สิกว่าปีก็สอบถามคนอายุสี่สิบว่ารู้สึกอย่างไรต่อความแก่แล้วเขาก็ตามสืบเนื่องไปจนกระทั่งคนเหล่านี้อายุหกสิบกว่า หกสิบห้าเจ็ดสิบก็คือยี่สิบห้าปีสามสิบปีต่อมาก็เพราอคนที่รู้สึกลบต่อความแก่นในเช่นคนแก่เนี่ยขี้หลงขี้ลืมคนแก่นะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยชอบม่อลอยเรียนรู้ช้าเนี่ยก็เพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่รู้สึกบวกต่อความแก่เขารู้ยังไงเขาดูจากไอสมองส่วนที่เรียกว่า พิปโปรแคมปัสเนี่ยซึ่งมันเป็นสมองเกี่ยวความจำเนี่ยมันฟอร์มากกว่ามีริมเลิศมากกว่าอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ของการเป็นอัลไซเมอร์นะมันก็หน่าคิดนะถ้ารู้สึกรบต่อความแก่นะพอแก่ตัวจริงนะแย่ลงถ้ารู้สึกบวกกับความแก่พอแก่ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างนั้นนะแล้วหัวใจก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่สมอง คนที่รู้สึกลบต่อบความแก่เนี่ยสามสิบสี่สิบปีให้หลังเนี่ยจะเป็นจะมีโอกาสไปโรคหัวใจสูงกว่าคนที่รู้สึกเฉยเฉยหรือว่าอาเป็นบวกกับความแก่เนี่ยอันนี้ก็เป็นการวิจัยที่เขาทํามายาวนานนะตามกันไปสามสิบปีสี่สิบปีแล้วพบว่าทัศนคติเนี่ยนะมันมีความสําคัญไม่น้อยนะต่อสุขภาพร่างกาย ต่อสมองต่อหัวใจไม่ใช่แค่การกินการบริโภคเท่านั้นนะนะเราก็รู้มานานแล้วว่ากินเหล้าสูบบุหรี่มีผลต่อหัวใจมีผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ถึงแม้ไม่กินนะไม่แตะเลยนะบางทีไขมันก็กินน้อยนะดูแลไขดูแลอาหารดีควบคุมอาหารดีนะเนื้อหนุ่มไข่กินน้อยกินมังสวิรัตนะิเหล้ายา เล่าบุรีไม่แต่แต่ถ้ามีทาศุสติลบต่อความแก่นะก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงเหมือนกันเวลาแก่น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันชื่ออะไรนะว่าคนเราเนี่ยนะมุมมองสําคัญมากนะแม้แต่สิ่งที่เรามองโอ้มันไม่ดีนะเช่นความเครียดเนี่ยแต่ถ้าเรามองเออความเครียดมันดีนะมีประโยชน์นะมันก็มีผลต่อ สุขภาพร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตการทํางานของเราที่จริงอยู่บ้านเกความเครียดเลยนะแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งเนี่ยคนที่มองว่าเออมะเร็งที่มันดีนะขอบคุณมะเร็งนะโชคดีที่เป็นมะเร็งนะคนเหล่านี้ก็จะอยู่กับมะเร็งได้มีความสุขแล้วก็อายุยืนยาวกว่ากว่าคนที่รู้สึกว่ามะเร็งมันแย่ทําไมถึงต้องเป็นชั้น อันนี่มันเชื่อเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะไม่สำคัญตั้งกตว่าเรารู้สึกกำบันอย่างไรอันนี้พู้เจ้าตัดสอนมานานแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สำคัญตั้งกับว่าเรารู้สึกกำบันอย่างไรสุดคือทุกมันที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่ในที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเรา แม้มีความพัดพลากสูญเสียแม้มีความเจ็บป่วยนะแต่ว่าถ้ารักษาใจให้ปกตินะหรือว่าเปิดใจให้เห็นนะสัจธรรมมันก็สามารถทำให้เรามีความเครียดมีความทุกข์น้อยลงเผลอ สามารถที่จะเห็นทำนะจนพ้นจากความทุกข์ได้จากนั้นเนี่ยเขาดูจากเรื่องของจิตใจนะคนที่พัดภาคสูญเสียคนที่เจ็บป่วยนะถ้าวางใจถูกใจก็สบายใจปกติแต่ว่าตอนนี้เขาพบว่ามันมีผลต่อร่างกายด้วยนะนะถ้าเราวางใจให้ดีนะ อะไรเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยไม่ว่าจะเป็นความเครียดเออมันมีประโยชน์นะร่างกายมันก็จะตอบสนองอีกแบบหนึง่งเคยมีหัวหน้าพยาบาลคนนึงเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยมันต้องใช้ยาต้องใช้เคมีบําบัดที่สูงต้องใช้การใช้แสงในปริมาณที่สูงนะ คนส่วนใหญ่พอเจอการฉายแสงและเคมีบำบัดในปริมาณหรือโดสที่สูงๆเนี่ยก็จะแพ้มากแพ้หนักนะแพ้จนเกือบจะอยู่ไม่ไหวนะบางคนก็ต้องหยุดไปเลยเพราะไม่งั้นฉันตายดีกว่านะแต่คนในโรงพยบาลคนนี้พอได้รับการฉายแสงและการฉีดเคโมโในโดสสูงๆตามมาตรฐานนะบอกว่าไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่คนก็แปลกใจ อืไปถามมาเธอมีอะไรดีเหรอไปทําอะไรมาเธอบอกเธอก็ไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรดีนะไม่ได้มีของดีอะไรเลยก็เพียงแต่ว่าเวลาฉายแสงก็นึกว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์เวลาได้รับเคมีบําบัดเคมีบําบัดก็คิดว่ากําลังได้รับน้ําทิพยนะ์มองว่าเป็นของดีมองว่าเป็นบวกซะฉันกําลังได้รับแสงสวรรค์ฉันกำลังได้รับน้ําทิพย์มันก็ทําให้ใจเนี่ยยอมรับ ลังสีแล้วก็สารเคมีเหล่านั้นพอจิตใจยอมรับนะร่างกายมันก็พลอยยอมรับไปด้วยร่างกายมันก็ไม่ต่อต้านหรือต่อต้านน้อยการแพ้อาการแพ้ก็น้อยลงนะีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมุมมองนะมองบวกก็ทำให้สิ่งที่ มากกว่าเท่ากับร่างกายเนี่ยมันมีพิษสงน้อยลงนะมันมีความเลวร้ายน้อยลงนะอันนี้ก็คงก็รวมถึงอารมณ์ด้วยนะมันไม่ใช่ข้่ความเครียดเนะี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดขึ้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูกนะมันมีประโยชน์นะอารมณ์เหล่าเนี้เช่นความความโกรธเกิดขึ้นอ่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเออเห็นว่ามันมาสอนเรา มาเป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกสติความกลัวเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะมันสอนเราว่าะจะมีสติรู้ทันมันได้อย่างไรนะหรือมันมาสอนให้เราเห็นไตลักษณนนิจังทุกครั้งอนัตตานะถ้ามีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะให้ความโกรธความกลัวมีประโยชน์นะหรือแม้แต่ว่า ไม่ผักสายมันแค่ยอมรับมันเฉยๆไม่ตีโพตีพายเมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจไม่บ่นว่าโอ้ฉันอุตส่าห์ปฏิบัติทำมาทาไมโกรธอุตส่าห์นี้มาวัดยังมีความโกรธเกิดขึ้นไอแบบนี้คิดแบบนี้เสร็จนะยิ่งทุกข์มากขึ้นนะแต่ถ้ามองว่าเออมันเป็นธรรมดานะหรือองที่พูดเมื่อวานเนี่ยความเจ็บนะความปวดความเมื่อยความคันนะยุงมาแทนที่จะเห็นว่ายุงเนี่ยมันตัวร้ายนะนะ ทำไมถึงต้องมามากวนฉันอย่างเดียวเนี่ยถ้าคิดแบบเนี้แย่เลยแต่ถ้ามอเออนี่อาจารย์อยู่เข้ามาสอนเราเนะ่ยเขามาฝึกเราเรื่องการเจริญสตินะเราจะทุกน้อยลงนะความเจ็บความปวดมันจะเบาบางลงอันนี้คนรู้มานานแล้วนะที่จริงก็ไม่ไม่ใช่รู้มานานแต่ว่าอาจจะก็พบมานานแล้วว่าคนเราถ้ากลัวเนี่ยนะเวลาโดนฉีดยาเนี่ย มันจะปวดกว่าคนที่ไม่กลัวคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มทิ่มจะปวดกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยสามเท่าจะปวดเป็นสามเท่าของคนที่กลัวนะถ้าไม่กลัวเนี่ยนะความปวดมันลดลงเรื่องใจสำคัญมากนะท่าทีของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายใน อย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้จะไม่ไม่รู้สึกบวกกับมันนะเช่นความฟุ้งซ่านความกลัวความโกรธแต่ว่าเป็นกลางกับมันไม่รู้สึกลบกับมันอา้าวโกรธก็ดูมันไปอือนะอย่างพูดเมื่อวานเนี่ยอือนะหลวงพ่อท่านบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ออไม่ใช่โอวยไม่ใช่อวยนโอว ย, นะยนี่มันแสดงว่าเราเป็นลบรู้สึกลบกับมันละเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่ถ้าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็อือ ฟุงงซ้านก็เออนะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็เออมีความเครียดก็อือก็คือรับรู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆนะไม่ต้องบวกก็ได้นะแค่ยอมรับมันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้มันก็เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเจออะไรขึ้นมาเนี่ยนะให้ตะหนักว่าสิ่งสำคัญก็คือว่า ใจของเราว่ารู้สึกกับมันอย่างไรท่าทีของเราเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหานะเป็นอุปสรรคเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นความเจ็บความป่วยความพัฒภาสูญเสียนะงานการที่ยากลำบากความวุ่นวาย อ, อย่างน้อ ย, อยก็รู้สึกเป็นกลางกับมันนะอืม ไม่บน่นไม่โวยวายติโพตีพายที่มันเกิดขึ้นไม่มีการบอกว่าทำไมต้องเป็นชั้นหรือไม่ไปโทษคนนั้นคนนีนะ้ยอมรับมันหรือมองว่าเออมันดีนะมันช่วยฝึกเรามันช่วยทำให้เราระแวดระวังมันช่วยทำให้เรานะมีสติมากขึ้นหรือว่ามันกำลังสอนทำให้กับเรานะเจ็บป่วยก็นึกถึงที่คาอาจา่าพูท่าบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะ ให้เราฉลาดเรื่องชีวิตเรื่องอ น, นิจจังทุกขงกังอนัตตาถ้าเรามีท่าทีแบบนี้ยมองแบบนี้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะบรนทอนร่างกายของเราน้อยลงแล้วมันทำให้เราทุกน้อยลงด้วยนะในทุนนองเดียวกันความเครียดเมื่อเกิดขึ้นนะปฏิบัติทำบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะสบายปลอดโปร่งนะมันก็เครียดนะจะเป็นเพราะอากาศจะเป็นเพราะ เ, าเราวางใจไม่ถูกนะ มีสิ่งมากระทบเสียงดังอ่าแต่พอตั้งสติได้อ่าดูมันเฉยๆดูความเครียดอย่าไปคิดว่าฉันเครียดนะให้เห็นความเครียดนะถ้าเราเห็นความเครียดเนี่ยนะไม่เข้าไปในความเครียดเนี่ยนั่นคือว่าเรานะกําลังได้ไประโยชน์จากความเครียดนะมันกําลังสอนเรา นะมันทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้ทันได้ไวขึ้นหรือถ้ามอเออความเครียดนี้ดีนะมันมาฝึกเราตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์นะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะไม่ว่าภายนอกหรือภายในเพราะเหตุปัจจัยมันเยอะมากแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือวางใจให้เป็นกับสิ่งนั้น เช่นยอมรับมันดูมันด้วยใจที่เป็นกลางหรือว่าเห็นความดีเห็นข้อดีของมันเออมีเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันนะอันนี้แหละนะมันจะทำมันคือสิ่งที่เราทำได้และควรทำเนะี่ยการเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็มันควรจะทำให้เรามาเจอตรงนี้ทํตรํทำแบบนี้ได้หรือทำเป็นนิสัยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแบบหลบหลีกปัญหาหลบหลีกอุปสรรคหลบหลีกความยากลำบาก มันหลบหลียังไงก็ไม่พ้นหรอกไงก็ต้องเจอแต่ถ้าเจอแล้วเราทำใจให้เป็นบวกกับมันรู้สึกดีกับมันหรือทำใจให้เป็นกลางอันนี้ดีกว่าอาวชา้ก็พุทธ น, นินนะกลับ